เวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเวรระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราต้องการความสุขเราต้องเป็นผู้ไม่มีเวรให้ระ ง, งับความรู้สึกนึกคิดจองเวรใครๆออกไปจากภายในใจของเราให้อภยัยอโหสิกรรมแก่ทุกคนทุกครั้งที่ลงหายใจเข้าลงหายใจออกชำระความรู้สึกความนึกคิด จองเวรให้หมดไปหมดไปเอาลมหายใจเป็นกาลยานมิตรหายใจเข้าหายใจออกสบายสบายและพิจารณาต่ออพยญาปัดโชโหมมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตรวจตราภายในใจดูว่ามีความรู้สึกนมกคิดเบียดเบียนใครหรือไม่เขาคิดอย่างนั้นกับเราพูดอย่างนี้ กับเราอย่างนี้กับเราเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราไม่สบายใจเราก็ไม่น่าคิดกับเขาอย่างนั้นรักษาใจไม่ให้หวันไหวต่ออารมณ์พอใจและไม่พอใจที่มากระทบจงสร้างเกาะไว้เป็นที่พึ่งด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิฮิริโอตตะและขันติคือความอดทน รวมกันไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้เกิดทุกข์ไม่ให้มีทุกข์ไม่ให้เบียดเบียนใครทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกสุขีอัตนาังปริหารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดให้ระลึกถึงปีติสุขทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรื่อยๆ รู้เฉพาะปีติสุขหายใจเข้ารู้เฉพาะปีติสุขหายใจออกให้หัวใจของเรานี้เต็มไปด้วยปีติสุขแล้วแผ่ความสุขออกไปออกไปออกไปการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่เมตตาให้แก่ตัวเองก่อนจนให้เกิดความสุขใจการจะให้เกิดความสุขใจนั้น ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาสนับสนุนกันด้วยอำนาจสมาธิจิตสามารถยังปีติสุขให้เกิดได้และต้องการใช้ปัญญาเห็นโทษของการคิดผิดคิดเบียดเบียนให้ระงับความคิดเหล่านั้นด้วยสติปัญญาจึงจะเกิดเมตตาได้การแผ่เมตตาให้สัพสพสัตสเพสสัตตาสุขิตาโหนตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขเมื่อใจเรามีความสุขมีเมตตามีความรู้สึกรักใกรปรารถนาดีมีความรักที่บริสุทธิ์ให้แผ่ความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์กระจายออกไปจากหัวใจของเราไปยังสับปะสัตว์วิธีแผ่เมตตามีสองวิธีคือวิธีที่หนึ่งอาศัยนิมิต วิธีที่สองไม่มีนิมิตอาศัยนิมิตเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความสุขแล้วขณะที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าให้นึกมโนภาพถึงคนที่เราตั้งใจจะแผ่เมตตาให้ไว้เฉพาะหน้าหรือไว้ที่หัวใจนึกมโนภาพใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกาลังมีความสุขของเขา และส่งกระแสเมตตาจิตไปทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเริ่มต้นจากคนใกล้ชิดตัวเราที่รักกันอยู่ก่อนเช่นพ่อแม่ลูกภรรยาเพื่อนรักเพื่อนร่วมงานเป็นต้นต่อไปก็เป็นคนที่เป็นกลางๆไม่รักไม่ชังค่อยๆแผลไปแผลไปทีละคนทีละคนทีละกลุ่ม ต่อไปก็ถึงคนที่เรากำลังมีปัญหาอยู่กับเขาตั้งใจหวังดีต่อเขาปรารถนาดีต่อเขาขอให้เขาจงมีความสุขเถิดขอให้ไม่มีเวรซึ่งกันและกันเถิดขอให้เราอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยไม่มีนิมิตเมื่อเราพร้อมแล้วเรามีปิติและสุขทุกลงหายใจออกลงหายใจเข้า สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขพยายามทําความรู้สึกที่ดีความปรารถนาดีความรักที่บริสุทธิ์แผ่ออกไปรอบๆตัวเราทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามนึกไปให้กว้างกว้างไกลไกคลุมไปให้ทั่วทั่วจั ก, กรวาล มีแต่ความสุขทุกลงหายใจออกเข้า ส, สัเพสตาสุขิตาโหนตุลงหายใจออกเป็นไปด้วยความสุขหายใจเข้าเป็นไปด้วยความสุขการมิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตตกเป็นศัตรูต่อการเกิดเมตตาจิตเมื่อใจเรามีเมตตาจิตใจก็สงบมีความสุข ไม่ต้องเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจความรักจากใครอีกต่อไปพ่อแม่ไม่รักเราลูกหลานไม่รักเราสามีภรรยาไม่รักเราปัญหาเหล่านี้ก็หมดไปเพราะหัวใจของเราเต็มไปด้วยความสุขและความรักเรามีแต่ให้ให้ให้ให้ให พรหมวิหารสี่คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นธรรมประจำใจของผู้ใหญ่เมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นและตัวเองใครที่กดอยากทุกยากลำบากด้อยกว่าเราเราอยากให้เขามีความสุขด้วยการให้ทานช่วยเหลือสงเคราะห์เขา เมื่อเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเช่นหมาแมวกำลังอดๆเคียวข้าวอยู่เราก็ให้อาหารเขาก็มีความสุขในการกินเราก็มีความสุขแต่ต้องระวังเหมือนกันถ้าเราตามใจลูกหลานก็อาจจะพอใจแต่เสียนิสัยก็เป็นได้ต้องระวงังพรหมวิหารมีสีข้อ แต่ต้องเจริญเมตตาก่อนไม่มีเมตตากรุณามีไม่ได้ไม่มีการุณามุทิตาอุเบกขาก็มีไม่ได้การเจริญเมตตาง่ายกว่าข้ออื่นทุกข้อการุณาคือมีจิตใจสงสารอยากให้เขาพ้นทุกข์เป็นจิตที่สูงกว่าและยากกว่าเมตตาเป็นความปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์รู้จักผิดถูก ที่เขาทำผิดต้องชี้แจงแนะนำสั่งสอนเพื่อให้เขาลากความชั่วความผิดแก้ไขตัวเองอันนี้เราต้องมีจิตใจกระหารถ้าใจดีแต่ใจอ่อนก็ทำไม่ได้เพราะเราเจตนาดีแต่เขาอาจไม่พอใจอาจจะกระลบกระเทือนใจเขาเขาอาจจะโกรธเรา พ่อแม่ที่เมตตารักลูกมีแยะแต่คนที่มีกรุณาก็น้อยเพราะต้องดุต้องว่าต้องสอนบางทีก็ต้องลงโทษ ด, ด้วยนี่เป็นกรุณามุทิตาคือพรอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีความสุขทำจิตยากกว่าการุณาอีกเขาได้ดีกว่าเราเราไม่อิจฉายินดีมีความสุขกับเขาด้วย เช่นเพื่อนรุ่นเดียวกับเราเรียนเก่งกว่าเราหล่อกว่าเรารวยกว่าเราตำแหน่งได้สูงกว่าเราภรรยาของเขาสวยกว่าภรรยาของเราเรารู้สึกเขาดีกว่าเรามีความสุขกว่าเราอะไรอะไรก็ดีกว่าเราทุกอย่างแต่เรายินดีกับเขาด้วยอันนี้ก็เป็นมุติตาจิตมุติตาจิตนี้ละเอียดทำยาก ขนาดพระครูบาอาจารย์ที่มีเมตตากรุณามากแต่มุทิตาจิตนี้ก็มียากมุทิตาจิตเป็นจิตที่ไม่อิจฉาสูงกว่ากรุณาและทํายากกว่าอุเบกขาวางเฉยนี้ยิ่งยากกว่ามุทิตาจิตอีกอะไรจะเกิดใครจะนิงทาก็ไม่หวนไว รักษาใจเป็นกลางเฉยๆต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมต้องเข้าใจเรื่องเหตุผลและเหตุปัจจัยต้องมีปัญญาจึงจะเกิดอุเบกขาได้เช่นลูกติดยาเสพติดพ่อแม่ต้องทำให้ใจเป็นอุเบกขาเพราะเราได้ทำดีที่สุดแล้ว อุเบกขาต้องประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาจึงจะเป็นอุเบกขาจริงๆ 9. อสุภะกรรมาฐานคือการพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่สวยไม่งามอาสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามท่านให้พิจารณาร่างกายของเราเองว่าไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเป็นของง่าเกลียด เพื่อคลายกำหนัดเป็นวิราคะและทอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราออกเสียได้สาธยายถ้ายังไม่สงบเท่าที่ควรให้สาธยายชื่อของอวัยวะต่างๆก่อนเช่นสาธยายอาการส2สองตามบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดในใจตามนั้น ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งจนกว่าใจจะสงบลงหรือสัทยายกรรมฐานห้าผมขนเล็บฟันหนังถ้าชอบภาษาบาลีก็เป็นเกษาโลมาน์ขาทันตาปาโจสัทยายกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมเมื่อใจค่อยๆสงบลง จิตใจต้องสงบพอสมควรจงเริ่มต้นกำหนดพิจารณาอวัยวะทีละส่วนทีละส่วนต่อไปแล้วแต่ชอบชื่ออวัยวะใดที่ทำให้เกิดความรู้สึกปฏิกูลทำให้ใจสงบได้ช่วยให้ได้สติมีความพอใจก็เอาอย่างนั้นจะเอาอวัยวะหนึ่งเดียวหรือมากกว่านั้น สุดแล้วแต่ความพอใจของแต่ละบุคคล<ม>วิธีกำหนดพิจารณาอาสุภะอายังโขเมกายโยกายของเรานี้แลในร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆเหมือนแกงเผ็ดที่มีเนื้อไก่ กระดูกไก่มันฝรั่งมีถุงพลาสติกห่อหุ้มไว้บางครั้งเราก็พิจารณารวมๆให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นอาสุพะไม่ต้องตั้งใจเจาะจงกำหนดลงไปที่อวัยวะแต่ละส่วนดึงจิตเข้าไปอยู่ในร่างกายรักษาจิตสงบให้มีความรู้สึกว่าเป็นอสุพะเกิดความสลดสังเวชในร่างกายของตนเอง พิจารณาทีละอย่างพิจารณาทีละอวัยวะส่วนว่าพิจารณานานเท่าไรนั้นก็สุดแล้วแต่ความเหมาะสมความพอใจของแต่ละคนเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ๆมัจกจะเปลี่ยนอวัยวะเร็วหน่อยและการพิจารณานั้นจะพิจารณาตามลำดับหรือพิจารณาตามใจชอบก็ได้เวลาพิจารณาอวัยวะส่วนใด ก็พยายามตั้งจิตตั้งสติกำหนดลงไปที่นั้นโดยนึกในมโนภาพว่าอวัยวะนี้ตั้งอยู่ที่ไหนมีลักษณะอย่างไรสีอะไรขนาดเท่าไรพยายามเห็นในใจเหมือนเห็นด้วยตาแล้วผูกจิตเอาไว้ที่นั่นด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้คิดออกไปข้างนอกใช้คำบริกรรม ควบคู่ไปด้วยเช่นเกษาเกษาเกษาไม่ให้เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปให้พอดีพอดีถ้าสงบพอแล้วให้ยกเลิกการใช้บริกรรมก็ได้การพิจารณาตามลำดับที่ว่าตามลำดับคือพิจารณาอาการ32ตามลำดับที่เราสวดมนต์ ส่วนไหนไม่ชัดนึกไม่ออกว่าสีอะไรลักษณะอย่างไรก็ให้ผ่านไปที่พอจะนึกออกกำหนดได้ก็กำหนดไปในที่สุดเหลือไว้แต่กำหนดให้ชัดชัดจริงจริงอารมณ์กรรมฐานที่ใช้พิจารณามีอสุภะความไม่สวยไม่งามอานิจังความไม่เที่ยงทุกขงังความทนได้ยาก อนัตตาไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งสองอย่างหรือทั้งหมดก็ได้สุดแล้วแต่ใจจะรู้สึกเช่นกำหนดพิจารณาเกษาเกษาเกษาอาสุภะกำหนดพิจารณาเกษาเป็นอสุภะพยายามเห็นความไม่สวยงามสกปรกเป็นปฏิกูลของผม ถ้าพิจารณาแล้วรู้สึกเฉยเยไม่มีอารมณ์อสุภะก็ให้ผ่านไปอ น, นิจจังกำหนดพิจารณาความไม่เที่ยงของเกษาให้เห็นว่าผมนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าพิจารณาแล้วรู้สึกเฉยเยไม่เห็นอ น, นิจจังก็ให้ผ่านไปทุกขงังกำหนดพิจารณาเกษาเป็นทุกขงัง ทนได้ยากไม่คงทนเป็นทุกข์เพราะผมไม่สวยเป็นทุกข์เพราะผมร่วงเป็นทุกข์เพราะผมมีโรคถ้าพิจารณาแล้วไม่รู้สึกเป็นทุกข์ขังก็ให้ผ่านไปอนตัตตากําหนดพิจารณาเกษาเป็นอนัตตามองเห็นชัดๆว่าเกษาคือวัตถุชิ้นหนึ่งไม่มีเกษา เราก็ไม่หายไปไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาเกสาปลอมที่ผลิตจากโรงงานมาเปลี่ยนก็ได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าธาตุินพิจารณาได้ความรู้สึกว่าเป็นอนัตตาซึ่งเป็นวิปัสนาอารมณ์เมื่อวิปัสนาอารมณ์เกิดขึ้นในข้อไหนก็ให้พิจารณาข้อนั้นมากมาก การพิจารณากายเมื่อสมาธิหนักแน่นจะเกิดการเห็นกายเห็นกายนี้เห็นได้สองแบบคือเห็นด้วยนิมิตและเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยนิมิตเมื่อพิจารณาไปเรื่อยๆจนใจนิ่นงสงบภาพอวัยวะจะปรากฏขึ้นเองหรืออาจเกิดนิมิตในช่วงที่ไม่ได้พิจารณา ขณะที่กําลังเอนกายพักผ่อนบ้างบางครั้งเป็นภาพนิ่งบางครั้งเป็นภาพต่อทีละภาพคล้ายดูหนังนั่งดูไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็คิดว่าโอ้อันนั้นชื่อว่าอะไรคิดขึ้นมาบางครั้งเกิดความรู้สึกสนุกแปลกดีบางครั้งเกิดสลดสังเวชใจ แล้แต่เหตุปัจจัยไม่เหมือนกันหลวงพ่อพระอาจารย์มั่นท่านสอนไว้ว่านิมิตที่เห็นครั้งแรกนั่นแหละถูกจริตให้พิจารณาส่วนนั้นๆเป็นหลักแล้วพิจารณาอาวัยวะส่วนเดียวเช่นถ้าเห็นกระดูก็พิจารณากระดูกระดูยืนเดินนั่งนอนพิจารณาอยู่อย่างนั้นนี่เป็นวิธีหนึ่ง เห็นด้วยปัญญาบางคนจิตสงบแต่ไม่มีภาพมิมิตปรากฏให้เห็นแต่จิตเป็นสมาธิสามารถเข้าใจด้วยปัญญาเห็นชอบว่าร่างกายของเราเป็นอสุภะอณิจังทุกขังอนัตตาจริงๆรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยสัญญาเริ่มต้นด้วยเอาสัญญามากําหนดบัดนี้เปลี่ยนไปเป็นปัญญาเกิดสลดสังเวช เห็นกายของใครก็ไม่หลงสามารถขจัดการราคะได้ดีขึ้นเช่นนี้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญา